ซึ่งมาจากคําถามที่ว่าบารมีนั้นคืออะไรหรือชื่อว่าบารมีนี้เพราะอัตถะว่ากอะไรบารมีมีกี่อยา่างลําดับของบารมีนี้เป็นอย่างไรอะไรเป็นลักษณะรสะปจจุปฐานปทัฐานของบารมีอะไรเป็นปัจจัยแห่งบารมีอะไรเป็นความเศร้าหมองแห่งบารมีอะไรเป็นความผ่องแผ้วแห่งบารมี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 อา น, นิสงค์ของการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรนั้นข้อความในปกินนกกะคาถาเจริยาปิดกหน้า6กร้อยหกทตอบคำถามเหล่านี้ว่าอะไรเป็นอา น, นิสงค์ท่านพนานานาันนาอานิสงค์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้สะสมบุญญาพินิหารเอาไว้อย่างนี้นะจะตัวอย่างว่าพระโพธิสัตว์ผู้สะสมบุญญาพินิหารหมายคําว่าสะสมอภินิหารตั้งความปรารถนา เพื่อบรุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสังสมบารมีมีทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและอุเบกขาทันบารมีเหล่านั้นที่ท่านสะสมไว้ดีแล้วท่านจะไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบแปดประการที่ที่อย่างที่เราสดสดกันว่านะขอให้ข้าพเจ้า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 ท่านจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะทั้งปวงนั่นก็คือไม่เป็นคนพิการจะไม่เป็นคนพิการอะไระนั้นสมบูรณ์ด้วยกล่าวว่านะมีครบทั้ง32มว่างั้นเถอะครบทั้ง32ภาษาไทยเขาใช้คําว่า32มสิถ้าญี่ปุ่นเขาเรียกครบหครบห้าหัวหนึ่งแขนสองขา2องพรางั้นครบห้นะครัเขาถือเอาอวัยวะแบบง่ายๆเลยนะถ้ามีหัวมีแขนมีขาใช้ได้ครบห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 ก็16อสงไขยแสนกับแต่ก็เป็นผู้แน่นอนรับประกันได้เลยว่าท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่แต่ขอเวลาหน่อยเห น, นขอเวลาทำอะไรบอกขอเวลาสะสมบารมีขอเวลาให้ทานก่อ น, อ น, นขอเวลาให้ให้ทานได้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ขอเวลารักษาศีลขอเวลาเจริญเนี่คธรมะเนี่ยนะขอเวลาเจริญบุญกุศลทั้งหลาย ขอเวลาสะสมบุ ญ, ญะสะสยะสัมภาระสะสมยาณสัมภาระจนกว่าจะเต็มเตี่ยมได้ตรัสรู้แต่ก็รอหน่อยเข้าันนทีนี้ระหว่างที่ท่านท่องเที่ยวไปยาวนานอย่างนี้ท่านจะไม่เกิดในอเวจีมหานรกนีไม่เกิดในอเวจีมหานรกซึ่งสภาพของอเวจีมหานรกนั้นโดยทั่วไปจะอธิบายว่าเป็นเหมือนกับห้องสี่เหลี่ยมห้องสี่เหลี่ยมที่ใหญ่มากเนี่ยนะ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 ในในหนึ่งในที่2ก็บอกว่าสัตว์แอาอัดกัน ย, ยัดเยียดอยู่ไม่มีช่องว่างเลยแต่ก็อยู่พอดีนะอยู่พอดีเป๊ะเลยนะเขบอกว่ายัดเยียดอยู่เหมือนทนานแป้งแป้งอะไรนะเหมือนแป้งในกระป๋องนะธนานดีบุกก็คือแป้งในกระป๋องเรียกว่าเต็มเปี่ยมก็เลยเรียกว่า A v G, อเวจีเขานั่ น, นก็พระโพธิสัตว์ท่านจะไม่เกิดในอเวจี v G, ก็เท่ากับปิดนรกได้ห้องใหญ่เลยนะห้องหนึ่งแต่ก็นรกอื่นก็ไปนะ แต่ว่าพูดเฉพาะไม่ไปแต่ เ, เวจีนรกเนี่ยนะที่มันคือมันร้อแรงเจ็บปวดที่มันเหมาะกับคนกรรมบาปหยาบช้า น, นะนะแล้วก็ท่านไม่ไปในโลกัาตานรกในะโลกันตนรกที่อ่าระหว่างคือว่าอยู่ในขอบเขาจักรวาลเนี่ยนะคือจักรวาลเนี่ยท่านบอกว่าคล้ายๆกับเหมือนกับล้อกเกวียนเนี่ยสามล้อเนี่ยนะเหมือนลูกบอลสามลูกอะ่ะ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 พวกยาเม็ดฟูนะตกลงไปในน้ำมันจะละลายไปอย่างนั้นแล้วก็จะมาเกาะเขาขอบจักรวาลใหม่แล้วก็ตกไปแล้วก็ฟูหายไปเลยนะแล้วก็เย็นยะ่ะเยือกเนี่ยนะครับจรวดความเย็นนั้นพระโพ ธ, ธิสัตว์จะไม่ไปตกโลกาตนรกแบบนั้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโลกั น, นรกเนี่ยมันคงมีพิษมีอะไรอยู่ในน้ำเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่น้อยนะถ้าหากว่าศึกษาศึกษาจักรวาลวิทยาหรือ พวกนี้อาจจะได้รายละเอียดบ้างว่าทำไมมันเจ็บปวดขนาดนั้นแต่ที่นแน่ๆมันทุกข์มากก็คือสองข้อนี้พระโพธิสัตว์นั้นจะไม่ตกนรกที่มันร้อนเกินหมื่นองศาวะร้ร้อนขนาดนั้นไม่แล้วที่มันเย็นติดลบชินิดผสมน้ำกรดนี่ก็ไม่มีแล้วก็ไม่เกิดในนิชามะตันหิกะเปรตคุปปิบาษาสิกาเปรตและกาลันชิกาเปรตพวกนี้กลุ่มเปรตหรืออสูร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 พระโพธิสัตว์ท่านจะไม่เป็นคนอาภัพแบบนั้นจะไม่อาภับตกยากถึงขนาดเรียกว่าต้องเก็บน้ําลายเขากินอะไรงี้ยเก็บอุจจาระเก็บปัสาวะเก็บเอาอย่างเช่นว่าคนที่เดินเหยียบน้ําแล้วเลือดมันหยดติงติงต้งแล้วก็ต้องไปเก็บพวกเศษชนิดนั้นกินเศษเนื้อเศษเลือดเศษเศษซากสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ข้างทางข้างถนนหรือว่าในพวกขยะมูลฝอยท่านไม่อาพับขนาดนั้นนะแต่ว่า เป็นจนทานเนี่ยเป็นไม้บอกเป็นแต่ว่าไม่ถึงขนาดอาภัพถึงขนาดเรียกว่าไม่แบบอะไรนะท้องหิวหิวซะจนเป็นไรเปรดอดอยากหิวโหยเนี่ยไม่เป็นเพราะแม้แต่เกิดเป็นสัตว์เล็กๆต่ํากว่านกคุ้มก็ไม่มีเนี่ยนะเล็กกว่านั้นอ่ะไม่มีอีกแล้วอย่างเล็กสุดก็คือนกคุ้มอ่ะนะนกคุ้มเล็กกว่านั้นจะไปเป็นนกกระจิบนกกระจาเป็นมดเป็นปลวกเป็นแมลงเป็นตัวพึ่ง เป็นตัวนอนตัวบุ้งตัวผีเสื้อเล็กๆอะไรยังไงไม่มีเนี่ยนะจะไปเป็นไปเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยลักษณะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นถ้าเกิดในมนุษย์โลกเมื่อกี้เนี่ยลักษณะว่าท่านไม่ใช่ไม่ไปอาบายแต่ไม่ไปอาบายในบางส่วนะนะด้วยอนุภาพแห่งบุญญาพินิหารด้วยอนุภาพแห่งบารมีที่สร้างไม่ไปสู่นรกบางส่วน อนาเช่นอเวจีนรกโลกนตารกไม่เกิดเป็นเปรตบางประเภทแล้วก็ไม่เกิดเป็นสัตว์เล็กๆอธินนี้ถามว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ล่ะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษย์โลกจะไม่เกิดเป็นคนตาบอดแต่กำเนิดนะแต่เท่าชแชร์แกชราไปแล้วตาพิการตาเสียหายอันนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะ เช่นเป็นโรคบางอย่างแล้วก็ในที่สุดตาก็อาจจะเสื่อมตามีปัญหาอันนี้ก็คงไม่มีปัญหาแต่หมายถว่าไม่จะไม่เป็นคนที่ตาบอดมาแต่กําเนิดหรือเป็นคนหูหนวกมาแต่กําเนิดหรือว่าเป็นคนใบนะ้และไม่บอดแต่กําเนิดหนวกแต่กําเนิดไม่เป็นคนใบ้และก็ไม่เป็นอุปโตพยัญช น, นะเนี่ยนะอย่างอุปโตพยัญช น, นะเนี่ยอุปโตแปล ว, ว่าโดยส่วนสองพยัญชนะก็คือเครื่องหมายเครื่องหมายส่วนสอง นิมิตเครื่องหมายส่วนสองเช่นว่าสมัยก่อนเนี่ยมีสิบห้าวันเป็นผู้หญิงสิบห้าวันเป็นผู้ชายเนี่ยนะเรียกว่าสลับเพศไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพระโพธิสัตว์ไม่มีหรือบัณฑ์คนไม่มีเพศก็ไม่มีและพระโพธิสัตว์ผู้ได้รับพยากรณ์อย่างนี้จะไม่เป็นสตรี น, นะจะไม่อยู่ในสตรีเพศอันนี้ในส่วนของอวัยวะเนี่ยนะในส่วนของอวัยวะสรีระของพระโพธิสัตว์ส่วนในเรื่องของพฤติกรรมความประพฤติ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 อัธยาศัยของท่านเนี่ยไม่ได้หยาบช้าหยาบช้าถึงขนาดว่า เ, เจตนาแห่งการฆ่าไม่หยาบถึงขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีจิตด้วยอำนาจโทสะที่รุนแรงถึงทาลายผู้มีพระคุณเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีแล้วก็ถึงท่านจะพูดคำพูดของท่านก็ไม่มุสาวะาจนถึงกระสงแตกแยกกันท่านยังไม่ทาแบบนั้น มันท่านก็เป็นพลที่พ้นจากอนันตริยกรรมห้าเป็นคนที่มีโคจรบริสุทธิ์ในที่ทั้งปวงก็แปลว่าเป็นคนที่เรียว่าคนดีว่างั้นเถอะในสายตาของสังคมโดยทั่วไปเนี่ยยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยนะเนขาเป็นคนดีดีชนิดที่ยวหาข้อตําหนิได้ยากโคจรบริสุทธิ์ก็คือเป็นคนดีนั่นเองแล้วก็เป็นคนที่มีกรรมสกตาเชื่อในกรรม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 ที่นับถือพรมมากแล้วก็ด้วยแรงแห่งมานะเนี่ยนะด้วยแรงแห่งมานะด้วยอากุศลหลายๆอย่างท่านก็ บ, บอกว่าไปหาทําไมสมณะโลนเนี่ยนะเป็นตน้นไอลักษณะนั้นอ่ะพูดด้วยอํานาจมานะนะไม่ได้พูดด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิที่ปฏิเสธว่าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่มีจริงไม่ใช่แบบนั้นแต่นั้นด้วยแรงแห่งมานะเนี่ยนะด้วยแรงแห่งมาน ะ, ะด้วยความเมาเนี่ยนะมานะก็คือตกในความเมาเมาในชาติตระกูลเมาใน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 ว่า ใ, ในคำมภี์ก็ไม่ได้กล่าวว่าท่านเคยเป็นอรูปประพรมก็ไม่มีพรมที่มีแต่รูปอย่างเดียวก็ไม่เป็นพรมที่มีแต่นามอย่างเดียวก็ไม่เป็นแล้วพระองค์ก็ไม่มีเหตุให้เกิดในสวรรค์ชั้นสุดทาวาสเพราะท่านไม่ได้เจริญอานาคามิมักนะไม่ได้เจริญอานาคามิมัชที่จะไปปฏิสนธิในสุดทาวาสเนี่ยววิหะอัตาปาสุทสาสุทศีอกกนิธานะไม่มีเหตุคืออานาคามิมัช ที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เกิดในสวรรค์ชั้นสุดาวารหรือพรมชั้นสุดาวารเพราะถ้าเกิดในสุดทาวารแล้วจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเนี่ยนะจะไม่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการเกิดในอสัญญาสัตว์อรู ป, ปรพรหมและสุดทาวารพรหมทั้งหลายอันนี้เป็นเป็นบุญญาพินิหารของพระองค์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมน้อมไปในเนคขมมะ ใจิตใจของท่านเนี่ยน้อมไปในการออกจากกามไม่เกี่ยวข้องด้วยภพน้อยภพใหญ่คือไม่มีฉันทราคะเยื่อใยอาลัยอาวในภพน้อยภพใหญ่การท่องเที่ยวไปของท่านก็เพื่อประพฤติโลกัตเจริยาประพฤติประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งหลายเนี่ยนะจริยาก็คือความประพฤติอัตถาก็คือเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งประโยชน์ปัจจุวันประโยชน์ชนสัมปรายภพ หรือว่าช่วยสงเคราะห์ให้แก่เขาเหล่านั้นได้รับอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะนั้นพระองค์ไปณนะพบต่างๆถึงจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในพบต่างๆก็เวียนว่ายตายเกิดเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกแล้วพระองค์ก็ไปเพื่อบําเพ็ญบุญบารมีในที่ทุกหนทุกแห่งเนี่ยนะเพื่อสร้างบารมีเพื่อให้ทานเนี่ยนะเพื่อที่จะบ่ม คุณธรรมที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธกัรกะธรรมโปร่งก็ไปเพื่อสร้างบารมีให้บรรลคุความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไปให้ทานไปรักษาศีลไปเจริญเนคขมะไปพอกพูนปัญญาเนี่ยนะไปภาภเพียรในการสร้างบารมีด้วยวิริยะก็คือไปทําบุญทำกุศลไปสร้างแต่คุณงามความดีที่เป็นอุปนิสัยให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า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 แล้วก็ยังมีการวิจัยเกิดการไข้ควรวญอย่างอื่นอีกมากมายซึ่งในมัชฌิมนิกายเราเรียนถึงอัจฉริยะอพูตธรรมสูตรก็คงถึงซึ่งตรงนี้ไม่ต้องการอธิบายละเอียดอย่างนั้นอันหนึ่งชนิดมีบุพนิมิตบุรพนิมิตเรียกว่านิมิตเครื่องหมายอนนะประกาศอีก32สองอย่างขณะที่ปฏิสนธินี่มีอะไรบ้างเช่นความหนาวก็ปราศจากคือความหนาวก็หายไปความ ร้อนก็สงบอันนี้ก็ด้วยผลแห่งบารมีที่พระองค์สร้างมาเนี่ยนะท น, นก็เกิดนิมิตมากมายในขณะที่พระองค์ปฏิสนธิหรือขณะที่ยังลงสู่คันมารดาหรือขณะที่คลอดจากคันแห่งมารดาหรือที่พระองค์ตัดอีกว่าดูก่อนสารีบุตรเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูตดหมื่นโลกธาตุนี้ย่อมหวั่นไหวสั่นสะเทือนเนี่ยนะอันนี้ถ้าที่ลมี่นีวันเนี่ยก็ หมือนโลกธาตุก็สะเทือนขณะที่พระองค์ประสูตรอันนี้ก็เป็นความน่าอัศจรรย์เป็นอ น, นิสงค์ของการสร้างบารมีเนี่ยนะอ น, นิสง์ของการสร้างบารมีให้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์หรือว่าอ น, นิสงฆ์แม้อื่นใดมีอาการแสดงไว้ในชาดกอันนอนิสงค์ของพระโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญแล้วเนี่ยว่าความประสงค์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมสาเร็จเสมอ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 พระโพธิสัตว์อีกหลายประการอย่างเช่นว่าเป็นผู้ชำนาญในกรรมเป็นต้นหรือความสำเร็จอคเรียกว่าทุกอย่างที่ท่านสำเร็จอ่ที่ท่านต้องการจะสำเร็จตามความประสงค์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายคือท่านจะทำอะไรเนี่ยทำอย่างชำนิชำนาญทำอย่างคล่องแคล่วแล้วท่านปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะสาเร็จอันนี้ก็เป็นอา น, นิสงส์ของของท่านในโลกนี้มันจะมีอะไรยิ่งใหญ่ทาว่า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 จะสำเร็จสมประสงค์อันนี้ก็เป็นอ น, นิสง์ของการสร้างบุญบารมีอันหนึ่งพึงทราบว่าอ น, นิสง์มีคู่แห่งคุณธรรมมีอะโลภาอโทสะเป็นต้นอั น, นะคู่แห่งคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะคู่แห่งคุณธรรมอโลภาอโทสะหรือคู่คุณธรรมแห่งสติสัมปชัญญาสตาวิรยิยะ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 เพราะฉะนั้นตั้งแต่การสะสมอภินิหารเนี่ยนะท่านถือว่าอยู่ในตำแหน่งแห่งบีดาของสัพพสัตตตั้งแต่สะสมอภินิหารการตั้งความปรารถนาเพื่อสแสวงหาประโยชน์สุแก่สัพพสัต์ทั้งหลายท่านก็เป็นผู้ควรแก่ทักษิณาเนี่ยนะถ้าหากว่าจะหานาบุญหานาบุญที่อื่นไม่ได้เนี่ยนะที่จะทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลพระโพธิสัตว์นั้นถือว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาซึ่ง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 เพราะว่าทักษิณาที่เชื่อกรรมและผลของกรรมหรือทักษิณาที่ทำไปแล้วอุทิศไปให้แก่เหล่าอมนุษย์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์นั้นเป็นคนที่น่าเคารพเป็นผู้ที่น่ายกย่องและเป็นบุญญาเขตอย่างยิ่ง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 เทวโลกหรือเกิดเป็นเทวดาเมื่อเขาเกิดเป็นเทวดาก็ระลึกถึงเพื่อนเก่าญาติเก่าเป็นต้นเขาก็จะต้องตามปกปักรักษากันนะเพราะฉะนั้นอย่างแม้กระทั่งว่าอย่างเทพพัทิดาคอยดูแลถามว่าเทพพัททิดานั้นคือใครก็คือแม่ของท่านในอดีตชาติเป็นต้นนั่นแหละก็คือชีวิตของท่านก็คบแต่บัณฑิตทั้งหลาย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 สัตว์ร้ายครอบงำไม่ได้เนี่ยนะสัตว์ร้ายเป็นต้นเนี่ยครอบงำท่านไม่ได้คือไม่มีอะไรจะครอบงำท่านแล้วโดยสันดานของท่านนะนะพูดแบบเนี่ยตรงเนี้ยแปลตัวก็คือสันดานเนี่ยแปลว่าชีวิตการสืบเนื่องแห่งจริตนิสัยของท่านนั้นอบรมอยู่ด้วยเมตตากับกรุณาเนี่ยนะคือความคิดของท่านเนี่ยโดยรวมๆก็คือว่าท่านจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรเนี่ยนะจะช่วยคนอื่นให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรช่วยคนอื่นให้ ประสบสุขได้อย่างไรนั้นชีวิตของท่านก็คือชีวิตเพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นดังที่กล่าวตอนต้นว่าท่านเสมอด้วยบิดาแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายบิดาทั้งหลายผู้มุ่งแต่เลื้องทุกข์แห่งบุตรผู้ต้องการประโยชน์สุขแห่งบุตรฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ดำรงอยู่ด้วยเมตตาและกรุณาฉันนั้นท่านคิดเสมอว่าจะช่วยให้สัตว์พ้นจากทุกได้อย่างไรช่วยให้สัตว์ทั้งหลายประสบสุขได้อย่างไรนะ